ในพรรษาเพียง12บสองวันยังขาดตกบกพ่องแล้วพวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีอย่างอื่นก็คงจะล่อยล้อไปเรื่อยๆเหมือนกันทำไมว่า12บสองวันเพราะสมเดือนเรารักษาศีลในสมเดือนเดือนหนึ่งก็มีสี่วัน8คดข้มสิบ้าข้แล้วก็8ปดขั้มสิาข้แรมขึ้นแรมก็เป็นนั้นว่า 4ี่สรักษาศีลเพียงส2บสองวันยังขาดตกบกพ่องแล้วพวกเราจะมุ่งหวังสิ่งที่ให้สูงขึ้นไปก็คงจะยากเพราะนั้นสัจจะคำนีนะ้ควรจะอยู่ในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายสัจจะคือความจริงจังและจริงใจผลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนกับสอนให้มีความ จริงจังและจริงใจในการประพุทธปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วคําว่าสัจจคัมม์นี้พระพุทธองค์ได้ตั้งลงณจุดใดจุดนั้นก็สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนานี้คก็เหมือนกันพวกเราได้ตั้งสัจจะสะสมสั่งสมคุนงามความดีขุนงามความดีก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเมื่อตั้งสัจจะแล้วก็ขาดสัจจะ ความหลาะแหละก็จะเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็หลาะแหลกไปด้วยการเป็นอยู่ก็หลาะแหละการทํามาค้าขายก็หลาะแหลกจะทําอะไรก็หลาะแหละไปหมดอคนโบราณเขาบอกว่าลักษณะหลักปักขี้เล่นแต่ภาษาภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าหลักปักขี้ควายฮคือมันไม่ตรงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นอย่างนั้น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 ได้หล่อเลี้ยงทางจิตใจจิตใจของเราเข้มแข็งจิตใจของเราได้รับการดูแลบำรุงรักษาใจของเราก็จะมีเหตุมีผลจิตใจร่มเย็นเป็นสุขนะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมินปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาย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 ตั้งแต่โ บ, ร, บราณก่อนพระพุทธเจ้าตัดสรุธธรรมศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรยอย่าฆ่ากันนะให้าาว่าทุกคนเห็นคุณค่าว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีอมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ใจเพราะเหตุใดเพราะคิดเอาใจเขามาใจใจเราเอาใจเราไปใส่ใ จ, ใจเขาแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดจุดนี้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 ส่งเสริมความโลภโกรธหลงของพวกเราแต่ใครใครอื่นจะเป็นอย่างไรข้าไม่สนขอสําคัญให้ได้ใจข้าใ ห, ให้ได้อย่างใจข้าพเจ้าอย่างนี้โลกทั้งโลกก็เดือดร้อนทุกคนก็คิดอย่างนั้นด้วยกันใจข้าพระเจ้าคนนั่งกัใจข้าพรเจ้าคนนั่งกัใจข้าพระเจ้าทุกคนมีเจ้าให้ได้อย่างใจข้าพรเจ้าผลที่สุดโลกเป็นยังไงต่างคนก็ต่าง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 ให้ท่วนทีแล้วออสิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอธินนาธานก็เหมือนกันกามีสุมิชฌาจาร์ก็เหมือนกันมุสาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาก็เหมือนกันสุราเออเมื่อดื่มเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํา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 หน้าที่การงานในการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะเสียหายลงไปด้วยเพราะเหตุหลายเพราะคนขาดสตนะิเพราะนั้นถ้ามาพิจารณาดูให้ดีแล้วศินห้าที่พวกเรารับไปสักครู่นี้นะ่นะนะมีคุณค่ามีประโยชน์เนะี่ยอย่างมากสาหรับชุมชนและสังคมของพวกเราเป็นเสียแต่พวกเราไม่คิดทนะําเมื่อไม่คิดมันก็ อ, อะไรก็ตามก็ไม่รู้จักไม่เห็นคุณค่าทั้งนั้นแหละ เออเพราะได้เพราะเราไม่ไม่รู้จักคุณค่าไม่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นถึงยังมีคุณค่าก็ไม่ไม่เกิดเป็นประโยชน์เพราะพวกเราไม่ได้ไม่ได้ช่วยกัน ส, งส่งเสริมไม่ได้ช่วยกันวิเคราะห์เรื่องศีลธรรมนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นศาสนาสนิกระชนพุทธศาสนิกระชนพวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดต้องใช้ปัญญา พราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดให้ใช้ความรอบคอบไ ئ ไตรตรองเหตุและผลแต่ยุคใดสมัยใดคนมีศีลธรรมเชิดชูบูชาศีลธรรมโลกในยุคนั้นก็ร่มเย็นเป็นถูกแต่ถ้าว่าโลกยุคใดสมัยใดไร้ศีลธรรมโลกยุคนั้นมีแต่ความเดือดร้อนไม่ว่าแต่ยุคนี้สมัยนี้นะหลวงพ่อเร อ่านได้ศึกษาในพระไตยผิฎกอ่มันเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกันแต่บางครั้งก็คนเชิดชูบูชาศีลธรรมสมัยนั้นประเทศชาติโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าโลกยุคใดขาดศีลธรรมโลกยุคนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนอ่ า, อานรกพอกโูลว่างั้นเถอะแต่ถ้าว่าคนยุคใดสมัยใดเห็นคุณค่าของศีลธรรม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 พระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติในในกรุงพาลาณสีเที่ท่านยกเป็นนิทานขึ้นมาน่ะข่าวนั้นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เอ๊ะทาไมเทวบุตรเทวดาหน้าใหม่ๆทําไมไม่ขึ้นมาบนสวรรค์ะเป็นเพราะอะไรทําไมแต่ไมทําไมเป็นแน่นอยู่นรกมองไปนรกมันแน่นแย่งกันเข้าตกนรกย่งกันเข้านรกไอ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 มันจะหมดทั้งหมดเลยเนี่ ย, เ, ยเพราะเหตุไรเพราะพระเนรเถนชีก็ออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางกันคารวะญาติโยมก็ไร้คุณภาพไร้คุณธรรมไรศีลธรรมไปทั้งหมดแล้วเพราะพุทธศาสนาจะไม่ถึงพันปีอย่างที่พระพุทธเจ้าที่วางเอาไว้แล้วเนี่ยเราจะช่วยยังไงเนี่ ย, ยพระอินทร์คิดหนั ก, กว่า ง, งั้นจากนั้นท่านก็สั่งมาตรีเทพพระบุตร ที่เป็นคนที่เป็นเทวบเทวบุตรที่เป็นผู้สนองของพระอินทร์ที่รับใช้พระอินทร์บอกว่ามาตรีเธอต้องทำตนเป็นหมาใหญ่นะหมาสีดำม่อมแล้วันตัวเท่ามาะะ้าแล้วกันเพระอินทร์แสดงเนี่ยจากนั้นพระอินทร์ก็เป็นนายพรานเป็นพรานป่าถือธนูใส่ผ้าสีแดงมัดหัวใส่เสื้อสี น้ำตาลแก่ๆอีกต่างหากเมื่อไ้นต่เออคือแบบแหล่งธ น, นูมีดาบมีอะไรเน็บพร้อมอะไเหมือนกับพานป่าเมื่อไงนต่ทีนี้ท่านก็เอาหมาลงมาจากชั้นสวรรค์เอามาห่างให้มันอยู่ห่างจากกรุงพาราณสีพอประมาณสักเออให้เดินเข้ามาให้คนเห็นเมื่นอนงะอ่จากนั้นก็เดินท่านผมป่าก็ประกาศเลยมันก็เหมือนกับเสียงฟ้าร้องเมื่อไงนต่เออ เสียงฟ้าร้องเหมือนกันเอาละโลกจะจิบหายแล้วเหมือนกันพวกโลกทางหลายมีแต่มัวเมากันมีแต่ทําความชั่วแย่งกันทําความชั่วตลอดอพวกสวรรค์ท้งหลายเทวตรเทวดาพ้องมีแต่แน่นกันอยู่นรกเพราะพวกท่านทั้งหลายทําแต่ความชั่วพระอินประกาศคนทั้งหลายก็ได้ยินจากนั้นก็ลงมากับคนทั้งหลายก็เห็น พระเจ้าแผ่นดินทราบข่าวว่ามีนายพานกับหมาใหญ่กําลังจะเดินเข้ามาในเมืองเลยพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งปิดประตูเมืองทันทีเลยแต่ว่าหมาใหญ่กับนายพานก็โดดข้ามกําแพงได้เหมาอนไงเพะท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยใช่ไหมจากนั้นก็เดินเข้ามาจนถึงมูเวียงวังเหมือนไงพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะทําไงก็ต้องออกไปมีอะไรกั้นพเพี่บอสคล้ายๆว่า อดใจเมื่อกีเอ้เถอะสู้ตายเป็นตายลักษณะนะเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่เนี่ยออกไปก็บกว่าหมาของท่านน่ยมันเห่าอยู่ตลอดเนี่ยมันต้องการอะไรนย ม, มันต้องการกินงั้นการอาหารเลยพระเจ้าไปเนดก็เอาเอาหารให้กินที่มาตรีเทพบุตรใช่ไหมมันก็มีท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านก็เอาอาหารพยนต์ที่อื่นซะเนี่ยมันก็หมดพรึบเดียวเลยนะใช้อิทธิฤทธิ์เนี่อแต่เน้่ย ก็ถามอีกทําไมมันยังเหาอีกมันกินไม่อิ่มเหมือนพระอินทร์บอกมันกินไม่อิ่มอย่างนั้นพรเทวบุตรก็อพระเจ้าเปรีนก็หาอาหารคนมาอีกอคนอีกมันก็อย่างที่วายอีกเหมือนกันเอกินแป๊บเดียวก็หมดอหมาใหญ่ผลที่สุดพระเจ้าเป็นนีนก็ถามว่าหมาของคุณเนี่ยชอบกินอาหารอะไรทําไมมันมากถึงขนาดนี้ ไปอินก็ บ, บอกว่านี่แหละถ้าใครทําความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหมาผมชอบมากกว่างั้นออย่างพระเนนเถินชีก็เหมือนกันถ้าออกนอกรููนอกทางอย่างทุกวันเนี่ยทํามาค้าขายไม่อยู่ในศีนลธรรมออกนอกพระธรรมวินัยนี่แหละหมาผมชอบมากเอมันจะกินพวกนี้ที่เอามาขาวนี่หมาที่มาค้าวนี่ว่างั้นอย่างฆราวาสญาติโยงก็เหมือนกัน ถ้าใครผิดศีลห้าเนี่ยอคนนั้นละ่ะจะต้องหมาตัวนี้ต้องกินสรุปแล้วคือคือพระ อ, อินทร์ต้องการสอนคนว่างั้นเ่อะแต่สอนคนให้มีศีลธรรมถ้าไม่สอนหนักขนาดนั้นเนี่ยคนมันก็ไม่กลัวแต่เนี่ยจากนั้นพระ อ, อินทร์ก็บอกกล่าวเลยแตเนี่ยอย่าทํากรรมชั่วนะเดี๋ยวนี้มันทั้งหลายมันแน่นอยู่ในนรกแล้วนะนะให้ทําแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่คุณงามความดีนะเออ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 แน่นไปหมดมีแต่ความผาสุกร่มเย็นเป็นสุกแต่ถ้ายุคใดสมัยใดคนไม่บูชาไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมมีแต่ทำตามอำเภอใจทำตามปัญหาใจตามมัญหาใจของเรานั้นอำเภอใจของเรานั้นโดยมากชอบไปในทางต่ำชอบค่าบังชอบขาโมยบังประพฤติผิดละลาบลระลวงในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาบัง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 ไม่ทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ลักไม่ปล้นไม่เบียดไม่บังไม่คดไม่โกงไม่ฆ่าพ่อแม่ไม่ฆ่าคู่คนไม่ทําผิดกฎหมายพูดง่ายๆไม่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองต่างคนก็ต่างเคารพกฎหมายบ้านเมืองคุบตารางก็ว่างเพราะเหตุไรเพราะว่าคนไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าว่าคนขาดศีลธรรม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 เพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนเราต้องมองรอบร้านของเราอย่าทำให้เขาเดือดร้อนอย่าทำให้เขาทุกใจเว้นเสีย Savannah. แต่ว่าเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องบอกในเมื่อทำไม่ถูกเราจะให้เขาสุขใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันทำผิดเราก็ต้องบอกผิดนะอย่าทำนะอย่างนั้นไม่ถูกนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนอีกเหมือนกันถ้าพวกเราไม่สอนกันใครจะเป็นคนสอนไม่บอกกล่าวกันใครจะเป็นคนบอกกล่าว ถ้าว่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ก็ต้องยอมรับคันไกนกรนการการกลองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็ปฏิบัติตัวเองให้เป็นพระที่ดีคนที่ดีลูกหลานที่ดีลูกน้องบริวารที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดจัดเป็นหมวดศีล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 ถ้าพวกเราทําตีแล้วนั่นแหละตัวของเราร่มเย็นเป็นสุขผู้เกี่ยวข้องร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขใครๆก็ต้องการไม่ใช่เหรอความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าจะต้องการความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าว่าผู้ใดต้องการแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทําตัวไม่ดีก็แน่ล่ะถเนความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเป็นยังไงตัวเองก็ไม่อยากจะเข้าคุกเข้าตารางอีกเหมือนกันถ้าเนี่ย เพราะเองตัวเองทำความชั่วแล้วความชั่วจะไปที่ไหนมันก็มีแต่พาเข้าคุกเข้าตารางถ้าล้มหายใจตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ก น, กมกมนั่นหละตกนรกหมกไหมไปนั่นเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเนีกรคำชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะคำชั่วนั้นย่อมให้ผลทุกเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ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 ก็ไปสู่สุขติใครๆก็ต้องการสุขทั้งหมดนั่นแนะแต่ความทุกขนะ์น่ะไม่มีใครต้องการแต่ทำยังไงได้ตัวเองทะเลถลาเข้าไปแล้วเพราะการยับยั้งไม่อยู่พราะทำความชั่วเมื่อทำความชั่วแล้วก็นั้นก็จะต้องได้รับโทษเพราะว่าตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธศาสนายืนยันแล้วยืนยันอีกตายแล้วไม่ศูญถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้พวกเรานั่งภาวนา นะหลักพิสูจน์ก็คือนั่งภาวนาเนี่ยไม่ปีนอย่างอื่นจะไปคิดเดาเอาอย่าไปคาดคะแนนเอาอ่าไปอ่านตำรับราําราแล้วก็มาพูดกันจะรู้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบ เ, เมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจร่างกายนี่ยคืออันหนึ่งจิตใจนั่นคืออันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่ในในตัวของเราคนเดียวรูปประธรรมและนามมาธรรม แต่ตัวนามประมเนี่ยไม่ตายแต่รูปประมัเนี่ยตายแน่แตกตายสลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะให้นั่งภาวนาการนั่งภาวนาทำยังไงหลวงพ่อก็เคยบอกนั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งขาขวาทับข า, าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกหายใจออกบริกรรมว่าโธนี่แหละให้พวกเราศึกษา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 เพราะนนถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายก็เป็นอื่นอยู่เสมอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเจนี่เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเลี้ยงดูพอประมาณแต่ให้พวกท่านทั้งหลายให้หาอาหารเข้าสู่จิตใจนะแต่พวกเราไม่รู้งงนะเจนี่เลจิตใจนี่คืออะไรเพราะไม่ได้ศึกษามีแต่เห็นแต่รูปธรรมตาเห็นแค่นั้นหาห่วงอาหารให้เลี้ยงร่างกายเท่านั้นให้เลี้ยงใจเนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงยังไงนี่แหละ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 อันนี้ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ยพราะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วพราะพระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอะไรทําเหตุให้ทุกเกิดสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะหาคือตัณหา ท, ทำให้ให้พวกเราเป็นทุกข์เนื่องเมื่อมีตัณหานํามาเกิดแล้วนั่นแหละพวกเราก็ใดรับทุกข์ละท่าน การมัตตนาปวัตตนาวิปวัตนา ท, ต ท, ตทุกขสมุทัยเหตุหทุกเกิดคือตัณหาอในเมื่อทุกขเกิดขึ้นมาแล้วมักหนทางที่จะทําแก้ทุกได้เมื่อมักฆะปฏิปทามักแปดแก้หนทางแก้ทุกได้แล้วนั่นแหละนี่โลดคือความดับทุกขก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนา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 กายวาจาของพวกเรานะพูดง่ายๆนะอคนที่มีศีลห้าประจํากายวาจาอันนั้ น, นคือเป็นคนดีแหละท่านนีอคุกตารางก็ไม่เข้าอนรกก็ไม่ไปอมีแต่ไปสวรรค์มีแต่ความสุขในอยู่ในเมืองมนุษย์ก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นจุขทั่วนหน้ากันเพรอะไรเพราะเรามีศีลธรรมจากนั้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับพระอินทมาสอนเมืองมนุษย์ มาสอนพวกมนุษย์เราอย่าทํากรรมชั่วนะเพราะสวรรค์มันพ่องนะท่านวานนะถ้าทำกรรมชั่วแนละ้วพวกท่านแออัดอยู่ไปลงนรกสวรรค์มันพ่องไม่มีใครขึ้นแต่แต่พวกท่านทั้งหลายทําคุณงามความดีสวรรค์ก็จะมีเทวบุตรเทวดาหน้าใหม่ขึ้นไปใช้บริการว่าไงแต่เพราะฉะนั้นพวกเราเนะี่ยชอบชอบไหนล่นะท่านทำเอาพวกเราชอบ คุณงามความดีชอบบุญกุศลก็นู่นไปสู่สวรรค์แต่พวกเราทํากรรมชั่วก็อย่างว่าเนี่ยนะไม่อยากจะได้มันก็ต้องได้คุกตารางเออเพราะอะไรเพราะตัวเองทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ต้องรับกรรมตามที่ตนเองได้กระทาไว้เพรา ะ, ะนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมมูลธนิยกถาเป็นเครื่องตักเตือนคณะสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาท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 ของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาประกาศมาเผยแผ่เป็นทอดทอดกันมาณนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร